เรื่องพยายามแต่ไม่ได้จับต้องหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพยายามจะจับหญิงแต่ไม่ได้ถูกตัวท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศตหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศตแต่ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บเรื่องที่สกายะสังสักสิกขาบทที่สอง จบ